วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะเราได้มาทำวัดเช้าที่วัดรรมพยาช้างเผือกเป็นรรมธรรมชาติที่เหมาะแก่กันภาวนามากสมัยก่อนก็คงมีครูบาอาจารย์ทุดงเดินผ่านมาพักภาวนากันอีพอสมควรเนะพราะว่าแถบของเบอคอนสารนี้ก็ มีถ้ำมากะหลายแห่งเคยได้ยินหลวงพ่อบอกตอนท่านบวชใหม่ๆมีครั้งหนึ่งเขานิมนต์หลวงพ่อมาเทศงานกระถินหรืออะไรนี่แหละท่านก็มารอคืออาจจะมีรายงานนะก็เลยมารอที่ถ้ำแห่งหนึ่งแต่ผมเคยคอนสารเนี่แหละแต่ไม่รู้ทําอะไรก็มารอไปอยู่ที่ถ้ำ ก็ไม่รู้ว่าถ้ำมีเจ้าของนะเจ้าของถ้ำคืออะไรคือลิงลิงเขาจองอยู่ในถ้ำนะข้างล่างมันเป็นสวนกล้วยสวนกล้วยอาจจะเป็นกล้วยที่ชาวบ้านก็ปลูกหรือว่าเป็นกล้วยป่าก็ไม่รู้นะลิงก็อยู่แถวนั้นนะหลวงพ่อก็นอนอยู่กับลิงลิงก็วุ่นวายพอสมควรแต่หลวงพ่อก็บอกว่า ก, ก็พออยู่ด้วยกันได้ พอเยียกันได้หรือไม่แต่ครูบาอาจารย์อื่นๆก็คงสมัยก่อนนัก็คงในแต่ละถ้ำแต่ละป่าก็คงมีมีตัดป่ามาอาศัยบ้างนะมีผู้มาจับจองก่อนบ้างเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่มามาขออาศัยอยู่ชั่วคราวนถ้าเราทําตัวแบบคล้ายๆเป็นผู้ขออยู่อาศัยชั่วคราวเราก็จะเรียกว่าเจียมตัวนะ อยู่ง่ายๆอยู่อย่างอยู่ด้วยกันก็ได้นะไม่ต้องเบียดเบียนกันแต่ที่นี่มันก็คงทำเป็นที่อยู่ของพระเป็นหลักี๋ย่หลักก็ถือว่าออก็เหมาะแก่การภาวนาบางทีคนส่วนใหญ่ก็จะมักจะคิดว่าการภาวนาก็คงต้องไปหาสถานที่ที่สงบวิเวชนะ อยู่ในป่าบ้างอยู่ในถ้ำบ้างอยู่เรือนว่างบ้างนะซึ่งก็ตรงนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านก็บอกโน้นเรือนว่างนน่นถ้ำโน่นคนไม้นะให้พวกเธอไปเพียรภาวนานที่ตรงนั้นเพราะว่าการอาศัยสถานที่สัปายะหรือสถานที่ทสงบกนะ็จะเป็นส่วนร่วมทําให้จิตใจของเรามีความสงบไปด้วยคล้ายๆใจเราเปิด เมื่อเราอยู่ในฐานที่ธรรมชาติจิตใจเราจะเปิดเปิดรับกับความบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติเขามีอยู่แล้วเปิดรับกับความสงบอาจจะไม่สงบแบบเงียบทั้งหมดแต่เป็นสงบจากการบุมแต่งถึงที่เป็นเสียงหรือเป็นสิ่งของจากที่มนุษย์บูมแต่งขึ้นมันก็ช่วยให้จิตใจของเราเรียกว่ามันสงบตามไปด้วยซึ่งก็มีส่วนที่ ที่ช่วยในการทําสมาธินะหรือการเจริญจิตภาวนานะซึ่งถ้ามีโอกาสเรามาสถานที่แบบนี้ก็จะช่วยให้จิตใจของเรามันนอนรับความสงบลมเย็นจากธรรมชาติเมื่อจิตใจเราสงบลมเย็นนะความสุขมันก็เกิดขึ้นที่จริงมันก็สุขใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะนะั่นแหละมันมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตใจมันก็เกิดความสงบของมันเองนะ มันเป็นลนําดับลำนของมันไปแต่สิ่งที่ต้องต้องระวังหรือต้องเตือนตัวเองไว้เพราะบางทีความสงบมันก็เข้าใกล้เข้าใกล้กับความที่ไม่อยากจะทําอะไรนะเมื่อมันสุขแล้วมันสงบแล้วมันก็ไม่อยากจะทําอะไรมันพอใจเป็นแค่ความสงบแค่นั้นนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าชีวิตก็มีความสุขแล้วนะแต่ไม่ได้ เดินทางต่อในการที่จะเรียนรู้กายและใจของตัวเองต่อนะมันพอใจแพ่งเพียงแค่ความสงบความสบายในสถานที่ในบรรยากาศหรือว่าในจิตที่มันสงบสบายแค่นั้นนี่ก็ยังไม่ใช่ดังนั้นการจะทำความเพียรนะความสงบนะหรือว่าความสุขอย่าได้ไปหลงติดกับมันนะแม้อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากภายในใจก็ขอให้รู้ว่าความสงบมันยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการภาวนาของเรานะเพราะความสงบที่อาศัยสถานที่อาศัยบรรยากาศมันยังเป็นความสงบชั่วคราวเพราะยังอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกแต่สิ่งที่เราจะต้องฝึกยิ่งไปกว่นั้นคือทำอย่างไรจิตใจถึงจะสงบได้ทั้งที่อยู่ในที่ที่ ตับปาย ะ, ะสงบหรือเป็นธรรมชาติและอยู่ในที่สถานที่ที่มีความวุ่นวายเจอผู้คนเจอการงานจิตใจก็สามารถสงบได้ทั้งสองบรรยากาศแบบนั้นอันนี้คือความสงบที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงคือการสงบจักกีเรนก็คือว่ามันต้องถอนรากเหง้าของอวิชชานะถอนรากเหง้าของตัณหาก็คืออวิชชานะ นะแล้วก็ละนะความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัหาต่างๆออกไปจากจิตใจให้ได้อันนั้นคือความสงบแท้จรงิงถ้าเราชัดเจนกับกับเป้าหมายที่เราจะทํานะเราเอาใจความสงบจากสถานที่จากอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อมาเรียนรู้ถึงนะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่มันแฝงอยู่ในกายในใจนี้แนะม้แต่ในความสุขมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะ แม้แต่ในความทุกข์ตอนนั้น้อมันมีอวิชชาอยู่ตรงไหนเราพยายามศึกษาสิ่งที่มันซ่อนเล่นในจิตใจของเรานี่นแหละจอทั้งเข้าใจมันศึกษามันแล้วก็ละมันได้นะละตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ได้อันนี้แหละถึงจะเป็นสิ่งที่เร า, ามาทำความเพียรภาวนากันนะถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วก็จะไ ม, ม่จะอยู่ในที่ที่ส ง, งบก็ดีอยู่อยู่ที่ไหนก็ดี เราก็สามารถเียว่าจะอยู่ได้ด้วยดีเพราะที่จริงการจะอยู่ที่ไหนหรือว่าการจะทำอะไรนะมัน ไ, ไม่สําคัญว่าเท่ากับว่าเราทำอย่างไรจะมากกว่าเช่นการที่เราปฏิบัติธรรมในรูปแบบหรือว่านั่งสมาธิหรือทำเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ ไม่สําคัญเท่าว่าเราวางใจอย่างไรในการเจริญส ต, ติหรือเจริญจิตภาวนาเช่นนั้นนะถ้าเราทําเพียงแค่ในรูปแบบนะมันก็ได้เพียงแค่ทําในรูปแบบเท่านั้นหรือบางทีถ้าเราวางใจผิดวางใจเพียงแค่จิตเป็นสมาธิจิตเป็นแค่เกิดความสุขความสงบที่เกิดจากสมาธิหรือสมถะมันก็ได้เพียงแค่นั้น แต่ถ้าเราทำอย่างที่ถูกอย่างที่พระเจ้าท่านสอนไว้คือจะเินจิตให้ถึงวิปัสนาจิตมันก็จะเกิดสติเป็นตัวนำเมื่อสติม เ, เป็นตัวนำแล้วสติมันจะคอยศึกษาเรียนรู้ความเป็นไปของกายเรียนรู้ความเป็นไปของใจเมื่อเราเรียนรู้ความเป็นไปของกายและเรียนรู้ความเป็นไปของใจตอนนั้นแหละจะเป็นตัวที่มันัดสมความรู้ความเข้าใจ เกิดปัญญานะเข้าใจความจริงของธรรมชาติเมื่อจิตมันเข้าใจความจริงของธรรมชาติในกายในใจนี้จิตมันก็จะพร้อมเข้าใจความจริงของธรรมชาติรอบกายด้วยนะวันจะครนี้จิตมันจะมันจะเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งคือมันไม่ใช่แค่ซึมซับเอาความสุขความสบายจากธรรมชาติแต่ครนี้เมื่อจิตมันเปิดมันเปิดแบบเรียกว่าเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ทั้งธรรมชาติภายนอกเรียนรู้ทั้งธรรมชาติภายในเรียนรู้ที่ตรงไหนเรียนรู้ถึงพระอนิจจังพระทุกขังแล Bold, ้วก็อนัตตาของธรรมของทั้งธรรมชาติภายนอกและภายในมันเห็นอะไรนะเห็นอะไรในตัวนี้ก็ดีเห็นอะไรนอกตัวนี้ก็ดีมันเรียนรู้ศึกษาเป็นธรรมะทั้งนั้นนะมันเห็นเป็นธรรมะสอนธรรมทั้งนั้นจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาเป็นสัตว์ก็ดี เป็นคนก็ดีหรือแม้แต่กายในใจ เ, เองก็ดีมันเห็นอะไรมันก็น้อมไปในทางธรรมนะน้อม ใ, ใ, ในทางปัญญาทั้งนั้นอันนี้แหละถึงจะเป็นจิตใจที่เปิดที่แท้จริงนะถ้าเราจเจริญสติเป็นหลักนะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเราก็จะเรียนรู้จากธรรมชาติไม่ใช่พอใจแค่ความสุขความสงบที่เกิดจาก ธรรมชาติเท่านั้นแต่เราจะเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาตินั้นมาสอนมาสอนจิตนะหรือบางทีจิตมันก็จะเรียนรู้กายและจิตของมันเองนั่นแหละนะเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของกายและจิตนี้นะอยู่สม่ำเสมอนะอันนี้อาจะเป็นหนทางที่ที่ถูกทางในการภาวนาเนาะ เราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ในถ้าอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็ดีหรืออยู่กับหมู่มิตรหรือต้องไปอยู่กับสังคมภายนอกก็ดีแล้วก็ใสหลักตัว น, นี้แหละในการภาวนาให้เปิดใจในการเรียนรู้สุกติสิ่งทุกอย่างให้ถือว่าทุกติสิ่งทุกอย่างเป็นครูสอนธรรมะแล้วทั้งนั้นจะเป็นป่าเขาจะเป็นต้นไม้จะเป็น แม่น้ําจะเป็นตัดป่าหรือไม่แต่ผู้คนนะหรือแม้แต่การงานข้างนอกก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมะทั้งนั้นทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญของการภาวนาเนี่ยต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุก อ, อย่างโดยใจที่เปิดกว้างน้อมทุกสิ่งทุก อ, อย่างให้เป็นครูสอนธรรมทั้งนั้นถ้าเราทําเช่นนี้ได้นะจะอยู่ที่ไหนๆก็จะสามารถเกิดปัญญาเนาะเปิดเกิดปัญญาได้เนาะก็ พูดกันแค่นี้ก็ออกมาสบาย